มเป่ากัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาโอหนึ่งที่มีลูกชาย11คนและลูกสาวคนหนึ่งเธอชื่อเอไลาซาเด็กๆทุกคนหัวใสฉลาดเรียนไหวพวกเขาอยู่กันยังมีความสุขในปราสาทกระทั่งวันหนึ่งเมื่อราชาตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งเขาเหงาหลังจากที่ชายาของเขาเสียไปมีการจัดงานสมรสครั้งใหญ่ เด็กๆต่างดีใจมากพวกเขาคิดว่าจะมีแม่ใหม่ก็คงดีแต่พวกเขาเจอกับสิ่งที่เหนือคาดราชนีคนใหม่คือแม่มดใจร้ายและทำไม่ดีกับเด็กๆทุกคนเสียใจมากที่เจอนางฉันจะจัดการพวกมันพวกมันทุกคนเพื่อทำตามเป้าหมายเธอส่งเอลซซาไปยังสถานที่ห่างไกลพร้อมกับคนไทยและภรรยาของเขาเธอกู่เรื่องเกี่ยวกับองค์ชายทั้ง11คน ทำให้ราชาสั่งให้องชายทั้งหมดออกจากวังไปเพราะสถานการณ์เข้าทางราชินีเลยไา่เว่นมนใส่เหล่าองชายพวกแกจะต้องใช้ทั้งชีวิตเป็นนกหน้าเกลียดที่ร้องไม่ได้บินไปได้แล้วเจ้าชายนั้นมีจิตใจดีเกินกว่าเว่นมนของนางจะทำงานได้ผลแทนที่จะกลายเป็นนกหน้าเกลียดพวกเขากลายเป็นหผงาบินไปจากวัง เอลซซาไม่มีความสุขกับที่ที่เธออยู่เธอคิดถึงพี่ชายของเธอมากตอนเธออายุ15เธอได้รับอนุญาตให้กลับวังไปเจอราชาราชินีไม่อยากให้ราชากับเจ้าหญิงเจอกันราชินีอิจฉาที่เห็นเอลซซาหน้าตาสวยงด ม, มันจะสวยกว่าฉันไม่ได้แต่เธอแสร้งทำเป็นรักอบอุ่นยินดีต้อนรับที่รัก ยินดีต้อนรับกลับวังไปห้องของแม่ก่อนนะแม่มีของขวัญจะให้แม่จะทาครีมบนหน้าให้มันจะได้ปกป้องลูกจากความชั่วร้ายครีมนั้นคือแผนของราชินีที่จะทําให้เอลซ่าน่าเกลียดเมื่อราชาเห็นเอลซ่าเขาโกรธมากโอ้ผู้หญิงเน่าเกลียดคนนี้ไม่ใช่ลูกสาวของฉันแน่เลยพานางไปทําไม่ต้องการนาง เอลซซาโดนไล่ออกจากวังอยากให้พี่อยู่กับฉันจังเลยเอลิซาออกเดินทางตามหาพี่ชายเธอไปที่ป่าที่เธอเจอบ่อน้ำเล็กๆ เ, เธอล้างเน่าของเธอและเธอก็ปล่อยใจมากที่ตัวเองกลับมาสวยอีกครั้งในนั้นเป็นป่าทึบที่แสงอาทิตย์ทอดไม่ถึงพื้นผ่านต้นไม้สูงทึบ ค่ำคืนก็ใกล้เข้ามาเธอเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆในนั้นไม่มีใครอยู่เธอเดินต่อไปเรื่อยๆหลังจากสักพัก<อ>เธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้า<อ>เธอกลัวเลยตัดสินใจหลบซ่อนก่อนที่จะหลบซ่อนเธอก็เจอหญิงแก่คนหนึ่งฉันทำเธอกลัวไหมเอาค่านิดหน่อยนะ ฉันมาที่นี่บ่อยมาเก็บเบอร์รี่อยากกินไหมจ๊ะค่ะฉันหิวมากเลยค่ะแล้วก็ฉันก็ไม่รู้เลยว่ากินอะไรได้บ้างเอานี่ไปแต่เธอมาทําอะไรที่นี่ละ่ะฉันกําลังตามหาเจ้าชายสิบเอคนเคยเห็นพวกเขาไหมไม่ไม่เห็นเลยจ้ะแต่ฉันเห็นหงกับมงกุฎนะ พวกมันว่ายน้ำก็อยู่ที่แม่น้ําถ้าเธอไปที่ด้านอาจจะเจอพวกมันเอเลซิซาขอบคุณหญิงแก่และเดินทางตามริมน้ําหลังจากที่เดินไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ไปถึงที่ที่แม่น้ํำทอดสู่มหาสมุทรไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยจะจะหาพี่พี่เจอได้ยังไงนะเธอเห็นขนหงส์บอชิ้นใกล้ๆกับสาหรายสบอเลยเหรอ ฉันอาจจะเจอพี่ชายของฉันก็ได้พระอาทิตย์กำลังจะตกและเธอก็เห็นผมสิ11อตัวสวยงามบินอยู่บนท้องฟ้ามาที่ทะเลที่เธอกำลังยืนพวกมันมาลงจอดที่หน้าเธอและเมื่อพระอาทิตย์ตกพวกเขาก็กลายเป็นเจ้าชายส1คนพี่โอ้หนูเจอพี่สักทีหนึ่งหนูเอลซิซาเองทุกคนมีความสุขที่ได้เจอเอลซ่า เพราะเวทมนตร์ของไรชินีเราเลยกลายเป็นหงส์เราบินเป็นหงส์ป่าตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเราเจอกลายเป็นคนเรากลับบ้านได้ปีละครั้งพรุ่งนี้เราจะไปที่วงังไปกับเราด้วยไหมแน่นอนไปค่ะหดี๋อยากจะช่วยพี่ทําลายคําสั่งแยะ่ๆนี่เช้าวันถัดมาเจ้าชายกลายเป็นหงส์อีกพวกเขาบอกให้เอลซ่านั่งบนตาข่าย และพวกเขาก็บินยกตาคายลอยไปเอลซ่าสนุกกับการบินเพราะเธอได้เห็นเมฆอยู่ใต้เธอเห็นภูเขาป่าเมืองหมู่บ้านและเส้นทางข้างล่างเมื่อจบวันพวกเขาก็ไปจอดที่ใกล้ถ้ำพวกเขาตัดสินใจค้างคืนกันที่ถ้ำตอนกลางคืนเมื่อเอลิซากำลังหลับเธอฝันว่านางฟ้ามาหาเธอเอลิซาคิดว่านางฟ้านั้น หน้าคล้ายกับหญิงแก่ที่เธอเจอในป่ามากสวัสดีเอเลซ่าฉันรู้ว่าเธอห่วงเรื่องอะไรค่ะเนูอยากจะให้พี่ชายของหนูพ้นคำสาปแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ทำตามที่ตัวเองต้องการเลยเธอต้องกล้าหาและอดทนเข้าไว้ถ้าเธอคิดว่าเธอทำได้ก็ไม่มีอะไรหยุดเธอได้ฉันทำได้ทุกอย่างค่ะมันจเจ็บหน่อยนะฉันทนได้ บอกท่านแก้มาให้ฉันนะคะมีต้นเนเธอร์พิเศษที่โตอยู่ใกล้ๆถ้ำนี้ในสุดสารเธอต้องไปเก็บมันมาบทมันให้ดีแล้วก็เอามันมาทอเป็นเสื้อผ้าสิบเอ็ดตัวนะเอามันไปวางทับเหล่าหงและคำสาบก็จะหลุดทันทีแต่ที่สำคัญที่สุดเธอต้องห้ามพูดออกมาแม้แต่คำเดียวตั้งแต่ที่เธอเริ่มแก้คำสาบจนกว่าจะจบถ้าเธอพูด พี่ชายของเธอจะตายโอเคจะทำได้ค่ะเอเล่าตื่นขึ้นมาแต่พบว่ามันเป็นแค่ฝันเธอตามหาพี่ๆแต่พวกเขาหายไปแล้วได้เวลาเริ่มงานแล้วล่ะเธอเอาไปเก็บต้นเนเธอร์มันแทงเธอตมเธอแต่เธอก็ทนเจ็บทำให้เสร็จเธอเก็บต้นเนเธอร์มา เอามันมาทุบเป็นแว็กซ์ในถ้ำหนูตัวหนึ่งจับตาดูว่าเอลซ่ากำลังทำอะไรเขาพบว่ามันน่าสนใจก็เลยช่วยเอลซิซาตอนกลางคืนพี่ชายเธอกลับมาพวกเขาพบว่าเอลซ่ากำลังทำอะไรน่าสงสัยทำอะไรนะเอลซิซาทำไมไม่ตอบน้องล่ะพี่อย่างเงียบสิทำอะไรเนี่ยฉันว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แล้วจะไม่พูดอะไรจนกว่าจะเสร็จนะ น้องชายคนเล็กไปหาเอลซ่าและยกมือเธอขึ้นมาดูเขาเห็นรอยไหมรอยตำเขาน้ำตาไหลน้ำตาของเขาหล่นลงบนมือเอลซิซาและทำให้เธอหายปวดเธอก็เลยหลับไปเธอทำงานต่ออยู่หลายวันหนูก็มาช่วยเธออยู่ได้เรื่อยเอลซิซาทำเสื้อเสร็จตัวหนึง่งและก็ทำต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อเธอเก็บตนน้นเนเทิมา เธอได้ยินเสียงใกล้ๆ <S <S เธอตัดสินใจกลับถ้าแต่มีเหล่านายพรานมาล้อมเธอไว้ <S <S ทุกคนใส่เสื้อผ้าดีๆกันหมดมีชายหล่อคนหนึ่งลงจากหลังมา้าเข้ามาหาเอลซ่าสวัสดีเอลซิซาทาอะไรเนี่ยให้ฉันช่วยไหมฉันทิ้งให้เธออยู่ในป่าแบบนี้ไม่ได้หรอกนะฉันเป็นราชาของที่นี่ไปกับฉันที่วางเธอแล้วเธอ จะปลอดภัยเอลซ่าไม่มีทางเลือกนอกจากไปกับราชาพวกเขาไปถึงที่วางราชาก่อนพระอาทิตย์ตกมันเป็นวังที่สวยงามมากแต่เอลซิซาไม่มีความสุขที่นั่นเธอเคยถอผ้าวลาหลายชั่วโมงทำให้นึกถึงพี่ชายของเธอราชาเอาแวกซ์ของเอลซิซามาให้เธอและเสื้อผ้าทั้งหมดที่เธอถอเอาไว้เอาของเธอไปเธอจะได้คิดถึงบ้านยังไงล่ะ ว้าวยิ้มสวยมากเลยฉันเผลอใจให้เธอแล้วมั้งเนี่ยเอลซิซาไม่มีงานทำนอกจากที่จะทอผ้าเธอทอผ้าสิบตัวตอนเธอกำลังจะทอตัวสุดท้ายต้นเนตเทิก็หมดเธอเลยคิดจะไปสุสานใกล้วงังเพื่อไปเก็บเนตเทิมาเพิ่มเธอออกจากวังไปในคืนนั้นไปที่สุสานและเมื่อเธอกำลังเก็บต้นเนตเทิล คนของราชาก็มาล้อมเธ อ, อยูนี่เองมาทำอะไรที่นี่เก็บนัดเท่าอย่างนั้นหรอือเอาไปทำอะไรล่ะเนี่ยมันจะต้องเป็นมนต์ดำแน่ๆเลยฉันสงสัยนะว่าเธอเป็นไม่มดฉันพิสูจน์ได้แล้วท่านราชาตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อคนของฉันหรอกนะแต่ตอนนี้พาเธอไปศาลเลยพรุ่งนี้โคดของฉันจะลงโทษเธอเอง เธอจะต้องโลนฆ่าต่อหน้าประชาชนหรือว่าให้ช้างกระถืบตายประเทศเราแม่อนุญาตให้แม่มดอยู่เธอต้องตายพรุ่งนี้ห้ามสายไปกว่านั้นปรากฏว่าเอลซ่าจะต้องถูกปล่อยทิ้งที่เกาะฮางจากวังเธอถูกขังอยู่ในคุกยางเห ง, ง๋อหงอยเธอใช้เวลาคืนสุดท้ายในนั้น และตอนนั้นประตูก็เปิดออกมาเสื้อโค้ทกับแว็กซ์ของเธอถูกโยนเข้ามาราชาส่งสิ่งนี้มาให้เธอเธอจะไรอุน่นโอกาสสุดท้ายที่จะทํางานให้เสร็จแต่ฉันต้องการเน็ตทมากกว่านี้เพื่อทําแว็กซ์มากขึ้นตอนนั้นเองหนูก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากหน้าต่างเธอเริ่มทํางานทันทีหนูวิ่งระหว่างคุกกับสุสาน เพื่อเก็บเนเธอร์ให้เอลซิซาเธอทอผ้าจนครบจนกระทั่งถูกพาตัวออกไปในตอนเช้าเธอนั่งอยู่ในรถมา้าและทอผ้าโดยไม่สนคนที่มารวมตัวดูเธอเสื้อผ้าทั้งหมดอยู่ที่เท้ารถม้ากำลังจะไปถึงเรือที่จะพาตัวเอลซ่าไปส่งตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงคุนคุณ เอลิซามองไปเห็นฝูงหงบินเหนือหัวเธอพวกมันลงมานั่งใกล้ๆและปกป้องเธอเอลซซาทอผ้าตัวสุดท้ายจนเสร็จเธอโยนเสื้อให้กับหงทีละตัวทีละตั ว, ลตวและหงก็กลายเป็นองค์ชายลอสิบเอ็ดคนโอ้โอ้เธอเป็นน้องสาวของเราเองเธอไม่มีความผิด ช่วยพี่ชายฉันได้แล้วฉันพูดได้แล้วฉันไม่ใช่แม่มดฉันแค่พยายามจะช่วยพี่ชายของฉันจากมนต์ดำของแม่มดเจ้าหญิงเล่าเรื่องให้ราชาฟังราชาละอายที่เขาทําไม่ดีกับเอลซิซาฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆที่สงสัยในตัวเธอได้โปรดแต่ง ก, กันกับฉันเถอะนะค่ะทุกคนในวังดีใจมากที่ได้ยินเรื่องข่าวการแต่งงาน เจ้าชาย11คนก็มาร่วมงานไปหลังจากนั้นราชากับราชินีเอลซซาและเจ้าชายทั้ง11คนก็จับตัวแม่หมดร้ายมาที่อาณาจาักรแล้วขังเธอตลอดชีวิตราชาก็เป็นอิสระจากมนต์ดำของแม่หมดพวกเขาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอด